บทวิพังสาที่ชื่อว่ากล่าวที่ทั้งที่รู้ได้แก่วาจาเสียงที่เปล่งออกคำเป็นทางวจีเพศเจตนาที่ให้รู้ทางวาจาของพู้มุ่งจะกล่าวให้คลาดความจริงได้แก่ถ้อยคําของอนาระยชนแปดอย่างคือหนไม่ได้เห็นแต่กล่าวว่าข้าพเจ้าได้เห็น 2. ไม่ได้ยินแต่กล่าวว่าข้าพเจ้าได้ยิน 3. ไม่ทราบแต่กล่าวว่า หได้เห็นแต่กล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ได้เห็น 6. ได้ยินแต่กล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ได้ยิน7จ็ดทราบแต่กล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ทราบ8รู้แต่กล่าวว่าข้าพเจ้าไม่รู้